ทรงประชุมสงบัญญัติศิขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทรง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุณีทุลนันธาบวชให้ศิขามานาที่มารดาบิดาบ้างสามีบ้างยังไม่ได้อนุญาตจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูล ร, รับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลาย